ทวารดีหมดเลยแต่ว่าอารมณ์ไม่ดีมาจากเรื่องอื่นเรื่องในเสียหายอกีกฉั้นผู้ที่พิจารณาเนี่ยอย่างอย่างความรู้สึกเรกียกว่าเป็นคนที่เก็บสถิติความรู้สึกว่าความรู้สึกของเราแต่ละขณะนี้มาจากทวารไหนเป็นหลักถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะรู้เลยสมมติว่าเราสบายใจทําไมวันนี้ทําเป็นสบายใจเนี่ยนนึกเคลึ้ม อ, อกเคลิ้มใจอะไรขึ้นมาไม่เห็นน่าสนุกอะไรสักอย่างแต่ทําไมนั่งสบายใจอยู่อย่างเดียวสาวดีๆจะเจอภัสสะ หรือวันนี้ไม่เกิดเอ๊ะอะไรก็สมพอสมหวังไปหมดแต่ทําไมเครียดไม่สนุกนะเรารู้ว่าสาวไปมันจะเจอผัสสะฉั้นผัสสะนั้นจึงไม่ใช่แค่ขณะปัจจุบันเท่านั้นเฉพาะหน้าบางทีผัสสะนนั้นเนี่ยเป็นสิบสิบปีแล้วก็ได้ไม่ไม่จําเป็นอะไรจะต้องขณะนั้นเท่านั้นบรนถ้ากล่าวตามวิพังนั้นจึงไม่รู้สึกแปลกใจเพราะว่าผัสสะนั้นเป็นปัจจัยแก่เวทนาทั้งที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยา เป็นปัจจัยแก่กามาวจรูปาวจร อ, อรูปาวจรและโลกุตระนี่ยจักขูสัมผัสชาเวทนาเนี่ยถือเอาเวทนาทั้งที่เป็นกามาวจรรูปาวจร อ, อรูปาวจรและโลกุตระโดยเฉพาะอารูปาวจรไม่เห็นเกี่ยวเลยใช่ไหมแต่ว่าโดยอุปนิสยาปัจจัยแล้วนี่อย่าว่าธรรมดาเลยเวทนาที่เป็นโลกุตระด้วยสิเ <c oughs> วทนานี้จิตอื่นๆก็จะเรียกว่าเป็นจักขู่สมัสชาวเวทนาได้แล้วก็เวทนาอื่นๆเนี่ย ออันนี้คือคือเราเราติดในในในชื่อในเรื่องนั้นๆคือหมายความว่าเอาเอาเจ้าของโครงการในเรื่องนั้นนั้นเป็นหลักอนะถ้าถ้าเราสาวไปจนถึงไอไอต้นต่อของมันเรื่องทั้งหมดเนี่ยเหมือนเหมือนว่าการแก้ปัญหาบางอย่างก็สาวไปหาที่ต้นเหตุใช่ไหมต้นเหตุของความชุลมุนวุ่นวายจริงๆมันเกิดจากอะไรเหมือนอย่างไออะไรนะกระต่ายตื่นตูมใช่ไหยกระต่ายตื่นตูมเนี่ยกระต่ายนี่นอนใต้โคนต้นมะมุเอ่อต้นมะตูม ประตูมมันดังตบมองมาก็นึกว่าแผ่นดินถลม่มก็เลยวิ่งก็เลยบอกสัตว์อื่นๆว่าแผ่นดินถล่มทั้งหมดแล้วแผ่นดินถล่มรีบไปรีบไปก็สัตว์ป่าก็วิ่งกันจนเสือเนี่ยราชสีนี่ก็ถามว่าวิ่งกันทําอะไรบอกแผ่นดินจะถล่มแล้วแผ่นดินถล่มแล้วก็รีบนี้ถล่มที่ไหนบอกโอ๊ยไม่กล้าบอกนี่โน้นที่โคนต้นมะตูมหรือราชสีก็เลยบังคับบอกมาแกจงไปจงพาไปนะไม่ไปไม่ได้เดี๋ยวกัดตายแล้วแกนอนอยู่ตรงไหนบอกนอนตรงนี้ พระเจดศีก็เห็นหลุมปั๊บแล้วเห็นลูกมาตูมอยู่นะโอ้ยเจ้านี่มานอนหลับใต้ต้นมาตูมก็เลยเสียงดังขึ้นมาก็สาพอรู้แค่นั้นนะ่ะปัญหาทั้งหมดที่วิ่งหนีป่าราบเนี่ยหายไปหมดเลยว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรนะโสตะสัมผัสแล้วเกิดตื่นตูมว่ามันแผ่นดินถลม่มก็พากันวิ่งป่าราบกันทั้งหมดเลยนะมันถ้ารู้จกักทั้งหมดเนี่ยเรื่องทั้งหมดที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดชุลมุนวุน่นวายเกิดอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากโสตะสัมผัสอันเดียว เพราะบางเรื่องนั้นภาษผภสษ า, า ส, าสัพโภปาทานิโยเนี่ยนะภาษะอันเป็นอารมณ์ของอุปอาสะวะแล้วก็เป็นตัดใ จ, จที่สําคัญต่ออุปาทานอันนี้เป็นธรรมที่ควรทําปริญญาทำหนึ่งที่ควรทําปริญญาคือภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสะวะเพราะนั้นในในความรู้สึกแต่ละช่วงแต่ละช่วงนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเอาถือประเด็นที่ที่เราไปให้ความสําคัญกับอะไรเป็นหลักในในกรณีนั้ น, น, น หาจากคาอธิบายของพระอาจารย์ก็เหมือนจะบอกว่าถ้าอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นเถ้าเวทนาหนึ่งเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าตอนเช้านิยมได้ยินคําพูดคํานึงที่ทําให้รู้สึกว่ามันนั้นโศมันนั้ตไปได้ทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งวันนั้น ที่เกิดจากการที่ได้ยินเมื่อเช้านี้คำหนึง่งเราก็เรียกเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งวันนั้นที่โสมนัตทั้งวันนั้นแม้จะทั้งแม้จะวิถีมันจะห่างกันมาเยอะแยะแล้วก็ตามแต่ว่าต้นตอมันเกิดจากที่ได้ยินเสียงเมื่อเช้านี้ก็เรียกเวชนาทั้งหมดนี้ว่าเป็นโสตะสัมผัสชาเวชนาอย่างนั้นเหรอคะถ้าว่าตามตามที่กล่าวาตามตามวิพังก็ไม่น่าผิดอะไรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะไอจิตทุกดวงมันมีภาษาเกิดร่วมทั้งหมดใช่ไหม ในขณะเดียวมันก็จะไปขยายผลไปอื่นๆอีกอันนี้คืออยากจะบอกว่าสังสารวัตรมันซับซ้อนอย่างนี้แหละความคิดของมนุษย์เนี่ยมันซับซ้อนมันยุ่งเหยิงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสาวไปดีๆแต่แทบจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยมันเกิดจากอะไรกันแน่พันโดยทั่วๆไปแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะว่าไปจริงๆไม่รู้จักตัวเองเนะนะไม่รู้จักตัวเองว่าความรู้สึกอันนียเกิดจากอะไรสาวไม่ได้ แล้วก็สาวไม่เป็นด้วยนะทั้งสาวไม่ได้ด้วยสาวไม่เป็นด้วยเพราะในในเรื่องของปฏิจจส ม, มุปบาทนั้นจึงเป็นความซับซ้อนมากที่เรียกว่าทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์รู้ได้ยากอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่มูสัตว์จะเห็นปฏิจจส ม, มุปบาทในชีวิตที่เป็นจริงนี้ไม่ใช่ของง่ายเพราะอะไรเพราะ ห, หนึ่งเป็นคนที่เก็บสถิติเก่งมากเลยเป็นนักสถิติ ท, ที่ที่ค่อนข้างแม่นยำมาก แล้วก็ปัญญาต้องดีด้วยแล้วก็วินิจฉัยที่แม่นยําว่าเออตัวเนี้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่สมมุติถ้าเราอยู่ๆแล้วนั่งซึมอย่างเงี้ยถ้าสาวไปจะรู้เลยทําไมนั่งซึมทําไมอยู่ๆดีจใจขึ้นมาแบบเหมือนกับไม่มีเหตุผลแต่จริงๆแล้วมันได้ภาษามาน่านสรุปว่าเวทนาทุกเวทนาจะทวารใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันมีภาษาเป็นเป็นปัจจัยอย่างคิดดูนะเพราะเราบอกว่าเออคุณลองไปอ่านหน้านั้นมาสิ ไอ้การเห็นทั้งหมดเนี่ยที่อ่านพลิกพลถ้าไม่ได้ยินเสียงนั้นจะไปอ่านอย่างนั้นไหมไม่อ่านเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยให้ใช้จักขู่สัมผัสเนี่นอนมากมันก็แต่ละอย่างตัวอย่างหนึ่งไอ้พ้นอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมาจากคนลทวารก็ได้เพราะอะไรเพราะในแง่ของอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะอุปนิสัยปัจจัยมันไม่ใช่ว่านี่มันให้เป็นเอจากทวารหนึ่งเป็นปัจจัยแก่ทวารหนึ่งก็ได้นันะจากอีกอะไรนะ วิถีหนึ่งไปอีกวิถีหนึ่งก็ได้ดีไม่ดีนะเป็นชาติเลยเช่นว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอ่าอย่างสมัยยกตัวอย่างนะสมัยพุทธกาลถ้าชาดกมีเรื่องคือพระพิสูจ์ไปบินทบาทแล้วไปชอบผู้หญิงองค์ก็บอกโอ้พิสูจนทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเธอเนี่ยไม่ได้ไปชอบผู้หญิงคนนั้นแต่ชาตินี้หรอกแล้วก็ต่เล่าชาดกหละก็คือจำเป็นลักษณะนี้ทําให้เห็นว่าอ่าอุ ป, ปริสัยปัจจัยนั้นไม่ใช่แค่แค่ธรรมดาทําให้เราเห็นคนบางคนแล้วชอบเลยทันที ไม่ต้องอธิบายแต่เห็นบางคนเนี่ยเกลียดเข้ากระดูกดำทันทีก็ไม่ต้องอธิบายอีกเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือในแง่ของอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยการรับอาหารบางอย่างชอบชอบอาหารบางอย่างนี่ก็เข้ากัว่าอร่อยกันทั้งนั้นแต่เราก็ไม่เห็นชอบเลยอย่างนี้นอันนี้เพราะอะไรเพราะอุปนิสัยปัจจัยที่สังสมมาดันเวภาษะเป็นปัจจัยแกเวทนานั้นมองในแง่อุปนิสัยปัจจัย เป็นหลักเนี่ยนะถ้าอนันตระมันก็ใกล้ๆใช่ไหมอารามมณะเมื่อไหร่จะหน่วงมาทีก็ไม่รู้แต่อุปนิสยะล่ะท่านเราจะแทบไม่รู้เลยว่าความคิดที่เราคิดมามีอะไรเป็นอุปนิสัยเป็นต้นเนี่ยถ้าสาวไปจริงๆเนี่ยจะรู้แต่ว่าโดยธรรมดานะสังเกตดูเนี่ยทุกคนเวลาตอบคําถามหนึ่งเรื่องเนี่ยบอกบอกเลยว่าอุปนิสัยมาจากอะไรถ้าเขาไม่ใช่เป็นการเสแสร้งะนะเนี่ยก็แทบจะบอกได้เลยว่าทุกคําที่เขาพูดเนี่ยมีอะไรเป็นอุปัจจัยมา เขาได้ภาษะอะไรมาอย่างยกตัวอย่างอย่างพี่ต่อยเราเล่าวันนี้ใช่ไหมถามว่าภาษามาศึกษาธรรมะคืออะไรมะเร็งภาษะมาถ้ามะเร็งไม่ภาษะมานี่ไม่รู้จะไปไหนต่อก็ไม่ทราบคิดไม่ได้เรียนธรรมะอก็เลยอาจจะไม่ได้เรียนอยู่แล้วนะคิดเหมือนกันสักสามเดือนครั้งหนึ่งหรือปีละครั้งอย่างเงี้ยนะก็เท่านั้นอ่ะแต่ว่ามะเร็งภาษะอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหปัจัยเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเลยอย่างเงี้ยนะเพราะภาษาแต่ละครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยแม้กระทั่งลูกตายคนเดียวนี่ก็ชีวิตเปลี่ยนหมดเลย ภาษาครั้งนั้นครั้งเดียวเนี่ยชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิตหรือภาษาก็บากเรื่องมาเนี่ยได้รับคําสั่งมาหนึ่งภาษาก็ไปทํำซะจนอั น, นอิทธิพลของภาษานั้นยิ่งใหญ่จริงๆนั่นแหะอันภาษาแต่ละแห่งแต่ละครั้งเนี่ยภาษเนี่ยจึงเป็นปัจจัยแก่กานาธิบัติภาษานั้นเป็นปัจจัยแก่อธินนาธารมภาษานั้นเป็นปัจจัยแก่กาเมสุมิชขาจารภาษานเป็นปัจจัยแก่มุสาวาท แก่สัมผัสปลาปะพุสวาจาปิสุนาวาจาเป็นปัจจัยแก่เดิ่มสุราและเมรยัยเป็นปัจจัยแก่อภิชาเป็นปัจจัยแก่พยาบาลแล้วก็ภาษะเป็นปัจจัยที่สําคัญของมิจฉาทิฐิทั้งหลายเพราะนามธรรมเนี่ยนะเว้นนามธรรมทุกชนิดเนี่ยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันมีภาษาเป็นปัจจัยนี่ภาษาก็ภาษาในทวารหกนั่นเองทีนี้ถ้ามองในแง่ธรรมะเนี่ยในหนึ่งเรื่องเนี่ย พูดแบบขยายผลเนี่ยมันไม่มีจบสิ้นคืออย่างนี้ว่าหนึ่งภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาในภูมิสี่ใช่ไหมแล้วภาษาในจิตทุกดวงก็เป็นปัจจัยอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยมันครือว่าโลกนี้เหตุหนึ่งไม่ได้เกิดจากผลหนึ่งผลหนึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุหลายอย่างหรือเหตุหลายอย่างไม่ได้เกิดจากเหตุหนึ่งผลหนึ่งไม่มีในโลกเหตุมากผลเดียวก็ไม่มีในโลก ผลมากเกิดจากเหตุเดียวก็ไม่มีในโลกมีแต่เหตุมากผลมากมันสับสับสนยุ่งเหยิงอย่างนี้แหละเห็นไหมแต่ทีนี้ทั่วๆไปเขาจะพูดเหตุหนึ่งผลหนึ่งเพราะอะไรเอาแต่สิ่งที่มันชัดเจนที่สุดในเรื่องนั้นๆเอาประเด็นหลักๆในเรื่องนั้นๆมามาสนทนากันเพราะในแง่ของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะจึงยกหลักๆขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ยังมีจักที่อื่นอีกนะว่าเวทนาบางอย่าง เกิดจากมิจฉาทิฐิเป็นปจัจจัยเวทนาบางอย่างเกิดจากสัมมาทิฏฐิเป็นปจัจจัยเวทนาบางอย่างเกิดจากสัมมาสังกะปะเป็นปัจจัยเกิดจ า, <laughs> ากมิจฉาสังกะปะเป็นปจัจจัยไล่ก็สิบกว่าชื่ออีกะนะโอ้เธอว่าเรื่องมันมากเรื่องยาวเลยเหมือนกันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อ ง, แ ต, องแต่ถ้าแต่ละเรื่องนั้นถ้าคิดแบบแบบที่พระ อ, องค์สอนบอกว่าภา 1, ษะหนึ่งภาษะอย่าคิดนะว่ามันนําไปสู่อภัยไม่ได้เนี่ยนะถ้าถ้าถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าพาคิดเนี่ยนะ ง, ง่ายมากอย่าคิดนะว่าแต่เห็นหนึ ouais, kind of ่งครั้งเนี่ยจะไม่ลามพาไปตกนรกหรือว่าเห็นหนึ่งครั้งอย่าคิดนะว่าจะไม่เป็นปัจจัยแก่อนุปาธาปริณิพานเป็นต้นคือมันมันสามารถสาวไปได้ยาวอย่างอย่างที่เขาว่านะได้ยินหรือได้เห็นหนึ่งครั้งเนี่ยชีวิตเปลี่ยนทั้งชีวิตเลยยางี้ก็ได้ะหรือเห็นบางอย่างเนี่ยจากคนดีกลายเป็นคนเลวเลยก็ได้หรือไปได้ภาษาบางอย่างจากคนเลวกลายเป็นคนดีเลยก็ได้ะเป็นต้นเนี่ยนะก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกัน พันการการกล่าวในลักษณะแบบให้ให้อย่างนี้เนี่ยพูดเพื่อความฟุ่งซ่านเขาบอกั้นพันแต่ละเรื่องนี้เขาในทางธรรมะเขาจะไม่พูดแบบนี้หรอกเขาจะเช่นเวทนามีจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยบอกก็ต้องบอกคุณเวทนาตัวไหนว่ามาันคือค่อยว่าเป็นเรื่องๆไปอ่นะไหไมงั้นนี่มันยุ่งมากๆเลยเวทนาไม่รู้จะเอาเวทนาไหนเพราะคุยแล้วมันไม่มีจบอ่ะเช่นว่าทําไมผมเนี่ยเครียดวันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไร เขบอกว่าคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเนี่ยนะเขาก็จะเริ่มสาวไปหาผัสสะเรานั้นนั้นใช่ไหมแล้วก็ไปไปปรับภัสสะตัวนั้นอะทำความเข้าใจในเรื่องภัสสะตัวนั้นซะไอความไม่สบายใจตัวนี้ก็ก็มันจะลดลงก็เหมือนอย่างทางแพทย์ที่เราว่าไข้มันขึ้นเนี่ยเขาก็สืบว่าทําไมไข้มันจึงขึ้นก็สาวไปหาต้นเหตุอยู่ที่เดียวแต่ถ้ารู้ต้นเหตุก็ไปลดตรงตรงนั้นซะไข้ในส่ว น, น, นอื่นๆมันก็ลดลงเพราะว่าในร่างกายทุกส่วนมันพร้อมที่จะทําให้ไข้ขึ้นได้หมดเลย แล้วก็พันถ้าพูดนะงี้ว่าตรงไหนบ้างเป็นเหตุให้ไข้ขึ้นบอกมันทั้งตัวนั่นแหละคือพันในบางกรณีนั้นทางธรรมะเนี่ยจึงบอกว่าเขาเอาปัจยุป บ, บันเป็นหลักเช่นเขาถามว่าคนนี้ลูกใครถ้าคุยอย่างงี้ไม่ยากใช่ไหมถ้าบอกว่าคนนี้คนนี้มีลูกกี่คนแล้วมีหลานกี่คนแล้วมีเลนกี่คนแล้วก็มีหลานกี่คนแล้วไทยอย่างงี้เรื่องยาวแน่นแต่ถ้าบอกคนนี้ลูกของใครถ้าค่อยๆสาวขึ้นอย่างงี้ไม่ค่อยยาก เพราะองจึงถามว่าชารามราณะมีอะไรเป็นปัจจัยมีชาติเป็นปัจจัยแล้วชาติมีอะไรเป็นปัจจัยการเกิดนะทุกเกิดเลยทุกชาติที่เกิดเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นปัจจัยแล้วทําไมเขาจึงชอบทํากรรมในเรื่องนั้นอ่ะเพราะเขายึดถือเรื่องนั้นเป็นใหญ่เขาถือว่าสิ่งนั้นมีสาระสําหรับเขาถามว่าทําไมเขาจึงยึดถือสิ่งนั้นมากกเพราะเขาชอบอย่างนั้นอ่ะทําไมเขาจึงชอบเพราะก็มีเวทนาประเภทนั้นบ่อยเขาได้รับเปรตนาทําไมจึงเวทนาแบบเพ่อผัสศัก ภาษาพวก อ, อะไรก็อายตนะก็าค่อยไล่ไปอย่างนั้นไปเห็นไหมทนก็เอาเอาปัจจยุบันเอาผลที่ปรากฏแล้วก็สาวไปหาต้นเหตุเนี่ยนะถามว่าทําปริญญาคืออะไรก็คือเอาเรื่องพวกเนี้ยมาวิจัยเช่นว่าอย่างที่ว่าเนี่ยความรู้สึกของเราทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็สาวไปเช่นสมมติเราดีใจครั้งหนึ่งก็สาวไปหาเหตุว่าทําไมจึงดีใจเสียใจครั้งหนึ่งก็สาวไปหาเหตุว่าทำไมจึง เสียใจเป็นตอนก็ค่อยๆสาวไปหาเหตุอย่างนี้ไปด้วยสาวจนหาเหตุหาเหตุมากๆขึ้นจึงรู้ว่าอนาคตผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันก็เหมือนกับปัจจุบันปัจจุบันที่เป็นไปอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบิ่หน่ายและคลายกำลัดจากจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะพระอาจารย์คะย้อนมาเรื่องเวทนาเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ อ, อย่างตัวอย่างที่ยกมาอย่างเช่นสมมุติว่าตื่นเช้ามาสมมติว่าเราได้ยินข่าวว่า เพื่อนที่เรารักมากสนิทมากตายไปแล้วปรากฏว่าวันนั้นซึมไปเลยทั้งวันเวทนาก็ต้องเป็นโทมานะทั้งวันซึ่งมันเกิดจากการได้ยินข่าวนั้นเพราะฉะนั้นเวทนาตัวนี้ถ้าโดยนัยยะของพระสูตรเราก็เรียกว่าเป็นโสตะสัมผัสชสชาเวทนาเพราะว่ามันเกิดจากการได้ยินทางหู<ม>แต่ทีนี้ถ้าเราจะดูว่าในนัยยะของพระพิธรรมนี้วันนั้นเราก็ ทำกิจกรรมหลายอย่างทางหกทวารแล้วเวทนาที่เกิดจากทวารอื่นๆอย่างเช่นตอนเราลิ้มรสตอนเราเห็นตอนเราอะไรเนี่ยมันจะไม่มันนั้นมันจะเป็นทมวันั้ที่เราเกิดวันนั้นมันจะเป็นโสตาสัมผัสชาเวทนาไปทั้งวันเลยเหรอคะคือคือถือว่าไอ้ผัสสะทวารอื่นถือว่าเป็นอภโรหาริกเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าเราเนี่ยเป็นแผลเต็มตัวไปหมดแต่แผลเล็กแผลน้อยนะแต่มันมีแผลอันหนึ่งที่มัน เจ็บถึงขั้วกระดูกเลยเลยมันรู้สึกว่าแผลตัวนั้นเจ็บมันก็เลยไม่คิดว่าไอ้ตัวอื่นเจ็บเพราะถือเอาไอ้เรื่องหลักๆตรงนั้นเป็นเป็นประมาณเนี่ยนถือเอาเอาตรงที่มันเจ็บที่สุดในเรื่องนั้นๆเป็นประมาณว่าความรู้สึกทั้งหมดถือว่าเกิดจากการเจ็บเป็นประมาณเพราะไอ้ที่ภาษาเล็กๆน้อยแผลเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นตัวประกอบเป็นองค์ประกอบแต่ถ้ามีสุขที่ยอดมามาตัดตัวนั้นนะ่าอาจจะตัดได้ กลายเป็นหัวเราะทั้งวันเลยสมมตินะบอกโอ้โหเพื่อนรักของคุณเนี่ยตายลงมาเสียใจมากแต่เขามีคนมาบอกข่าวใหม่ว่าเพื่อนรักของคุณที่ที่ตายเนี่ยนะเขาวางแผนเตรียมจะฆ่าคุณพอดีแต่พอดีมีคนรู้เข้าฆ่าเขาก่อนคุณจะคิดยังไงเนะีอ่ะโอ้โหโล่งใจไปทีนะ ด, ดีมันตายมันไม่งั้นเราตายแน่ยังงเนี่ย พระอาจารย์แค่ที่บอกว่าในวันนั้นทั้งวันนิเวทนาทางทวาน่นๆก็เป็นอภโรหาริกไปเลยนี่เป็นการแสดงแบบนัยยะของพระสูตรแล้วถ้าเราจะพูดแบบอภิธรรมจะใช้แบบนี้ได้เหรือคะพระอาจารย์เนี่ยอถ้าแบบพระสูตรในะอีกในหนึ่งนะั่นคือเช่นคุณทานอาหารที่มันอยากสมุนไอาหารทั่วไปเนี่ยก็แกงเผ็ดถามว่ามีแต่แน้ําแกงกับใส่พริกเท่านั้นหรือเรียกแกงเผ็ด เอาอยางอื่นก็มีทํำไมเรียกแกงเผ็ดอ่ะเอ้ามันก็มีอย่างอื่นแต่ว่าไม่หวานก็ไม่ใช่จะไม่มีหอมก็ไม่ใช่จะไม่เค็มมันก็ไม่ใช่ก็มีแต่ทําไมจึงตั้งเขาแขงเผ็ดเพราะว่าความชัดเจนในเรื่องนั้นเอาความชัดเจนในเรื่องนั้นอย่างต้มจืดนะต้มจืดนี่เขาไม่ใส่น้ําปลาไม่ใส่อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวที่มันเค็มๆมั่งไม่ใส่เลยใช่ไหมเทน้ําเปล่าใส่น้ําใส่ผักเทต้มนั้นตอนน้ําต้มผักใช่ไหมแกงจืดไม่เห็นน้าต้มผักนะเอาแล้วทําไมเรียกว่าแกงจืดอ่ คือมันเป็นโวหารในเรื่องนั้นๆแต่ถ้าจะสาวแบบอภิธรรมเมืจะคิดอีกอย่างหนึ่งเพราะอภิธรรมนั้นน่ะจึงแยกแบบลักษณะสัมปยุตตปัจจัยทั้นในในแง่าทางธรรมะเนี่ยนะอภิธรรมนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไว้คุยกันกลักเกลือนเขาคุยพระสูตรเป็นส่วนใหญ่พระสูตรเป็นเครื่องอะไรนะพระสูตรเหมือนเส้นบรรทัดเป็นเครื่องวัดทั้นอภิธรรมปิดกนั้นจึงมีทั้งอภิธรรมภาชณีกับสุตตันตภาชณี แล้วจริงๆแล้วแม้กระทั่งแสดงอภิธรรมปีดกในสวรรค์ก็ยังสลับกับพัทเทกรัสูตรเนี่ยนะฟันการวิเคราะห์บางอย่างท่านน้นหนักอภิธรรมโดยส่วนเดียวนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะจากเรื่องง่ายมันยากไปทุกเรื่องหมดเลยนะมันยากไปทั้งหมดเลยนะคือถ้าพูดลักษณะอภิธรรมมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วต้อยมยำนี่มันเรื่องยากมากเลยนะมันยากยังไงคุณคิดดูสิแต่ไครกว่าจะปลูกได้นะนใช้เวลารถกี่ปี นี่มันในต้มยำเนี่ยมันต้องใส่ใบมะกรูดแล้วใบมะกรูดนักว่าจะปลูกมาเนี่ยมันมีแมลงกัดแมลงกวนเป็นต้นจะต้องกี่ปีมันจึงจะได้ใบชนิดนี้พอดีมานี่นะตั้งต้มยำไก่ใช่ไหมจะต้องคุณจะต้องมีฟาร์มไก่และเรื่องไก่มาอีกยาวแล้วก็ต้องใช้หม้อต้มหม้อนี่กว่าจะผลิตขึ้นมาอีกโอ้มาต้องกี่แล้วแกต้มยำเนี่ย พระอาสารยเจ้าคเราเมื่อกี้พระอาจารย์กล่าวว่าถ้าเกิดว่าพูดสาวถึงอภิธรรมแล้วมันจะยุ่งแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงพระวิธรรมเพื่อที่จะให้เชื่อมโยงกับการที่จะได้รู้ทุกศาสตร์หรือว่าสมุทยัยศัตว์เพื่อที่จะให้ทำได้แจ้งถึงนิโรธแล้วก็อบรมเจริญมรรคเนี่ยคือถ้าพูด <c oughs> แบบอภิธรรมล้วนๆเลยนะจะเล่าให้ฟังซึ่งไม่ทราบว่าหลายคนจะรับหรือไม่ กว่ากุศลจิตเกิดขึ้นหนึ่งดวงนะขณะที่คุณให้ทานนะมีภาษเวทนาสัญญาเจตนาจิตอันนะั้นมีวิตกวิจารณธิโมกวิรยิยะปีติฉันทะนนะมีศรัทธาฮิริโอตปะอันนะั้นมีอโลพะอโทสะมีตัตระมชัชตตานี่นะถ้ามีปัญญาประกอบนะก็มีปัญญาประกอบเออแล้วก็เป็นอาสังขาริกด้วยนะแล้วใครชักชวนเนี่ยนะกุศลจิตอันนี้ก็เกิดขึ้นขณะหนึ่ง แล้วก็เป็นอุปนิสยปัจจัยแก่วิถีที่สองวิธีที่สองก็ประกอบด้วยดวงอ่ะ น, นะท่าศาเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นมันก็ว่าโอ้โหเดินเรื่องมหาชาเลยแบบนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าที่เป็นหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าไปสอนอภิธรรมกับผู้ใดบ้างที่บรรลุเนี่ยที่เขาบรรลุจริงๆเนี่ยบรรลุเพราะพระสูตหรือพระอภิธรรมจริงๆแล้วเนี่ยแต่ถามว่าทําไม จ, งจึงจําแนกอภิธรรมเพื่อที่จะได้แยกแยะว่าเบื้องหลังเบื้องลึกๆึกของสิ่งเหล่านั้นอ่ะ จริงๆแล้วคืออะไรอย่างเงี้ยนะขึ้น อ, อ, ยอย่างที่ส ม, มุตนะิแบบทาวโลกเลยนะความรู้เรื่องอะตอมเนี่ยเขามาคุยทุกขนทุกแห่งไหมถามว่าอะตอมนี่มีอยู่ทุกขนทุกแห่งใช่ไหมแล้วทําไมไม่คุยให้มันทุกแห่งเลยต็เออนี่น้ําเนี่ยมันประกอบด้วยอะตอมอะไรก็ว่าไปนิวเคลียสอะไรก็นิวตอนนิกตอนโปรตอนก็คุยไปนะเรื่องยาวเลยคนนี้หนักๆเข้ามันจะไม่รู้ด้วยนะเป็นแว่นตานาฬิกามันรู้แต่ถกละเอียดเบื้องลึกในนั้นไปเลยท่านในความรู้ในระดับสูงบางอย่างก็เพื่อเป็นเครื่อง วิเคราะห์ในบางอย่างเนี่ยนะวิเคราะห์ในบางอย่างเพะนั้นโดยทั่วๆไปนั้นหลักธรรมที่ในแง่าการเจริญนั้น อ, ะอ่ะจึงเน้นไปที่พระสูตรเป็นหลักเนี่ยนะพระพิธรรมก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าเป็นการจำแนกแจกแจงในเรื่องนั้นเพื่อที่จะได้ตัดความสงสัยในเรื่องนั้นนั้นออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะถ้าอย่างสมมุติได้ถ้าอย่างอะอะไรนะเราจะมานั่งแยกเพราะว่าอพิธรรมในท่าจริงๆแล้วเป็นพิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักใช่ไหม ถามว่าใ น, ในขณะที่เราเห็นเนี่ยเราแยกเจตสิกได้หมดเลยใช่ไหมไม่ได้นี่นี่ธรรมบาานะถ้าเป็นมหากุศลด้วยยิ่งแยกเจตสิกเนยิ่งอ่สาสิบกว่าเจตสิกแล้วจิตมีดวงเดียวหรือเปล่า ไม่ใช่ของแต่ละดวงอะ่ะก็มีเจตสิกประกอบอย่างนั้นนะดวงที่หนึ่งในชาวนะเจ็ดวงดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบเท่านั้นแล้วดวงที่สองขณะที่สามขณะที่4ี่ขณะที่ห้าแล้วถ้าจําแนกเอาปัจจัยเข้ามาจับด้วยเอาติกะมาติกะทูกกะมาติกาก็วิถีเดียวเนี่เรียนกันครึ่งปีไม่จบวิถีเดียวนั้นเรียนครึ่งปีจริงๆนะถ้าวิเคราะห์แบบอภิธรรมเนี่ยเอาเอาเนี่ยเอาทั้ง7คัมภีร์มาวิเคราะห์ในเรื่องนั้นเลยนะเรียนอยู่สองปีมันครึ่งปีปีหนึ่งก็ไม่จบอ่ะ หรือคุยแบบคนรู้กันเนี่ยทุกคนมีปัญญาหมดเนี่ยเนี่ยอาจสักสามเดือนจบได้พระอาจารย์เจ้าค่ะเราเมื่อกี้ที่สนทนากันในเรื่องผัสสะที่ว่าผัสสะที่เป็นไปในทุกทวารเนี่ย <c oughs> ก็จะมีเป็นเอ่อโดยปกตูปนิสยปัจจัยได้หมดของตัณหาแล้วในเอ่อในส่วนของการดับฉันทะราคะละคะ <c oughs> เวลาผัสสะเกิดหรือว่า ช่วงที่ผัสสะเกิดธรรมสามประการเนี่ยถ้าดับฉันทะราคาตรงนั้นคงจะไม่ใช่คือจะเป็นลักษณะที่ว่าอย่างอย่างไรที่สะสมเป็นประตูปริศยาปจจัยด้วยใช่ไม้มถึงว่าถึงเวลาเลยแล้วก็สามารถที่จะดับฉันทะราคาได้เป็นสมุดเฉ็คือคงไม่ใช่ว่าช่วงขณะเกอของมาเข้าใจแล้วที่ทฐานแต่กําลังกะอุ ป, ปมาเหมือนอย่างว่าอถ้าเป็น น้ำเสียที่ที่ระบายมาจากข้างบนเนี่ยนะมันก็ระบายน้ําเสียไหลมาเรื่อยๆห ร, หรือน้ําขุนที่ไหลออกมาจากข้างบนเนี่ยถามว่าทํายังไงน้ํามันจึงจะเลิกขุนในท่านล่างๆขึ้นมาหรือกระแสน้ําสายเนี่ยมันมีแต่น้ําขุนไหลผ่านมาไหลผ่านมาไหลผ่านมาม า, มาจากทางเนี้ยหรืออีกในหนึ่งก็คือแผลมันเน่านะที่มันเน่า ala, ออกมาจากที่นั้นๆเนี่ยถามว่าทํายังไงจึงจะเลิกเหม็นสักทีหนึ่ง หรือน้ําจะเลิกเสียสักทีหนึ่งถามว่าทำยังไงก็คือจนกว่าจะบําบัดน้ําเสียทิ้งทั้งหมดหรือว่าถ้าแผลเน่าจนกว่าจะหมดแผลตัวที่เน่าทั้งหมดแล้วมันจึงจะเลิกเหม็นฉันใดเวทนาตันหาอุปาทานภพชาติที่เกิดจากทวารตาเนี่ยนะจะดับได้จริงๆต่อเมื่อไม่ใช่มีตาเป็นอารมณ์แล้วต่อเมื่อดับตาโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละจึงจะเลิกสร้างตา ชันระหว่างเนี่้การทําปริญญารู้เออนี่ตามันกลิ่นมันเหม็นมันเน่ามันไหลมาจากอย่างไงไอ้นี่ยังไม่พอหรอกมันต้องล้างจนกว่าไม่มีไอตัวนั้นจริงๆอ่ะจนกว่าไม่มีตาจริงๆจนกว่าเรียกว่าที่พยายามพูดบ่อยๆว่าจักขูนิโรธเมื่อแทงตลอดจักขูนิโรธแล้วนั่นแหละอันนี้ยกระบวนการเหล่านี้มันจึงจะถูกตัดขาดทั้งหมดแต่ถ้ายังมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์อยู่ถึงจะวิจารณาจนถึงอนุปัสนาขนาดไหนก็ยังเป็นไปกับวัตตาอยู่ดี เอาให้อภิปัสสนาแบบระดับสังขารุเปกขายานเนี่ยนะก็ยังเป็นปัจจัยแก่วัตตะอีกอยู่ดีโดยธรรมดานะถ้าไม่ทําให้แจ้งพระ น, นิพพานเพราะอะไรเพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยโดยมากได้สังขารุเปกขายานชาติที่ท่านออกบวชเนี่ยนะชาติที่ท่านออกบวชแล้วก็ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยท่านได้สังขารุเปกขายานแต่ก็ไม่ปรินิพพานเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะยังไม่แทงตลอดพระนิพพานที่เป็นอสังขตะธรรมฉะนั้นอย่าง อย่างถ้าเราฟังให้ดีๆอย่างโลกานินโรธสูตรเนี่ยอาศัยจากขุ ก, กับรูปเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะสํโรคตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือวิราคะตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือคืออะไรทั้นที่จะวิราคะตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยก็คืออนุปัสนาเจตในจากขุอนุปัสนาเจตใน รูปอนุปัสนาเจ็ดนจักขูวิญญาณอนุปัสนาเจ็ดนจกักขู่สัมผสัสอนุปัสนาเจ็ดนจกักขูสัมผัสสชาเวทนาถ้าอนุปัสนาเจ็ดนั้นจนบริบูรณ์จนถึงกับเบื่อนหน่ายคลายกำหนัดแทงตลอดอสังขตธาตุที่เรียกวงจรพวกนี้มันจึงจะดับทั้งหมดแต่ถ้ายังไม่มีอสังขตธาตุเป็นอารมณ์วิจัยไปเถอะวิจัยยังไงมันก็นําไปสู่วัฏอีกอยู่ดีถ้าไม่แทงตลอดอสังขตธาตุ เพราะฉะนั้นนิพานเนี่ยท่านจึงชมว่าทำที่สงบสังขารทั้งมวลเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งมวลเป็นที่ เ, เพิกถอนแห่งอาลัยเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นที่สิ้นตันหาที่ชื่อว่าวานะเพราะฉะนั้นจะเลิกเย็บเลิกร้อยวัฏตะสักทีหนึ่งถ้าพิจารณาจักขู่จนแทงตลอดนิโรสัจจะนี่นะแล้นถ้าไม่แทงตลอดท่า น, นิพานจะเป็นที่สิ้นศูนย์จักขู่เป็นต้นนี้ไม่ใช่ฐานะ แล้วกระบวนการที่พระอาจารย์แสดงนี่ก็ก็เป็นกระบวนการของมักเนี่ฮะแต่ว่าเมื่อกี้พระอาจารย์กล่าวว่าถ้ายังไม่แทงตลอดอสังขตธาตุเนี่ยมันก็ยังไปสู่สังสารวัตรแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นการอบรมอบรมมักเนี่นะคะพระอาจารย์ก็ต้องเธอนี่เราขอมาเข้าใจแล้วที่คุย คือหมายความว่าเราจะคุยให้มันเป็นเรื่องอะไรแบบปัญหาเนี่ยปัญหาสําคัญนะบางเรื่องเนี่ยทํามีกถาเนี่ยว่าเราจะให้จบที่ไหนบางอันเถอะก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าการทําปริญญาอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรักเป็นไปเพื่อมรักแต่ว่าอย่าพึ่งหวังผลนักในตรงนั้นเนี่ยนะคืออย่าพึ่งหวังผลว่าเออนี่มันต้องแน่นอนแล้วมันต้องดับได้จริงๆนะขณะเท่านั้นอ่ะนะคือคืออย่าพึ่งหวังผลขนาดนั้นเหมือนอย่างว่าเราใช้รถที่ไม่ค่อยดีนักอ่ะนะ อย่าพึ่งหวังผลว่าจะถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าทําไปซ่อมไปบํารุงไปอาจจะถึงที่หมายจริงขั้นการทําปริญญาเนี่ยนะถ้าเบื้องแรกถ้าคนที่ไม่ได้ทําอย่างบ่อยอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนี้ก็ไม่ใช่ฐานะอย่างที่อาจารย์สันติได้กล่าวอะไรน ะ, ะใช่ไหมที่ที่เรียกว่าสัมมาสัญญ า, านเนี่ยที่จะทําอินทรีย์ให้แก่กล้าโดยอาการเก้านี่มีอะไรบ้างเนี่ยนะก็ดูองค์ประกอบท่านแสดงว่าให้พิจารณา ความดับโดยทายเดียวนะครับธรรมะที่เกิดขึ้นใหม่ๆพิจารณาความดับโดยทายเดียวพิจารณาเอ่อริงจังให้เกิดโดยเจริญโดยเคารพแล้วก็เจริญโดยติดต่อเจริญโดยอาศัยสัปพายะเจริญโดยไม่อะไรในร่างกายและชีวิตแล้วก็เจริญโดยข่มข่มเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังโพช่งเจตให้เป็นไป คิดดูว่านั่นเนี่ยอนุปัสนาเป็นแล้วนะยังไม่ต้องมาปรับองค์ประกอบตั้งก้าวในเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าตามเห็นไม่เที่ยงอย่างเดียวแล้วพอคือที่ที่ที่ของมาพูดเมื่อกี้หมายคำว่าถ้ายังไม่ได้แทงตลอดอาสังคตะธรรมจริงๆเนี่ยนะไม่ได้มีจักขคูนิโรตรูปนิโรธจักรคูวิญญาณนิโรธจักขคูสัมผัสนิโรธจักรคูสัมผัสชาเวทนานิโรธเป็นต้นเนี่ยอย่าพึ่งหวังอะไรมากนักเนี่ยนะอย่าพึ่งหวังอะไรมากนักว่าจากประสบความสําเร็จจริง เพราะอะไรคือในแง่มองในแงอุปนิสัยเนี่ย